พระธรรมเทศนาแผ่นที่90าลำดับที่17โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่13ทธันวาคม2558มีชื่อเรื่องว่าคนมีปัญญาจะรู้คุณค่ า, าศาสนาพุทธ วันนี้เป็นวันที่สิบสามธันวาคมพุทธศักราช2558ห้าสบแดวันนี้เป็นวันอาทิตย์พระในวัดของเราช่วงนี้ก็สามสิบกว่ารูปนะวันนี้ไปฉันข้างนอกสามองค์เมื่อวันนี้เดี๋ยวนี้ยังเหลืออยู่สาสามสิบเอ็ด อากาศช่วงนี้ก็รู้สึกว่าเย็นลงแต่ไม่ถึงกรนหนาวถ้าจะว่าไปแล้วก็พอดีพอดีกําลังสบายสบายถ้ามันร้อนกว่านี้ก็กลางวันก็รู้สึกว่ามีมีอยู่บ้างแต่ว่าตามปกติเนี่ยหน้านี้นะ ที่พันผ่านมาน ห, หลายปีเดือนธันวายอย่างนี้หนะหนาวแล้วนะลูกหลานนะแต่ปีนี้รู้สึกผิดปกติดินฟ้าอากาศผิดปกติแต่เราจะทำยังไงได้ปุ่มดินฟ้าอากาศนะมีแต่พวกเราท่านทั้งหลายเท่า น, นั้นนะให้ทำจิตใจให้เป็น เปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะ่ะให้ไปพัฒนาให้ดีขึ้นให้พัฒนาตนให้ดีขึ้นอย่าไปพัฒนาตนให้เ ล, เลวลงมันเป็นได้ทั้งสองอย่างเหมือนกันนะโลกมันโลกสองมืดกับแจ้งดีกับชั่วคนดีคนชั่วคนโง่คนฉลาดมันมัน โดยมากมันเป็นปสองแต่หลวงพ่อเ อ, เองเห็นคณะชาตาญาติโยมที่มาเกี่ยวข้องทั้งที่ลงไปกรุงเทพก็ดีอยู่ในวัดก็ดีแต่หลวงพ่อมองเห็นแล้วมองมองดูแล้วคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ค น, นหมคนอายุ ป, ประมาณสักยี่สิบสามสิสี่สิบปี ในช่วงนี้นะ่ะรู้สึกว่ า, เ, าเขามาสู่วัดวาศาสนาเขามาสนใจธรรมะมากขึ้นตามสายตาของหลวงพ่อหลวงพ่อเป็นนิมิตหมายที่ดีที่คนรุ่นใหม่ใฝ่ใจในการเรียนรู้ในการศึกษาเรื่องพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างย่อเนี่ยที่หลวงพ่อเห็นเถนนี่ยเนีอย่างเชฟล่อนลูกหลานของพวกเรามาจากกรุงเทพหลายครั้งหลายปีติดต่อกันเป็นคนรุ่นหนุ่มหลวงพ่อวันจะเป็นกำลังส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่กำลังเพื่ออย่างอื่นหรอกกำลังเพื่อพวกเราท่านทั้งหลายเองเอคนหนุ่มควรจะศึกษา ควรจะเรียนรู้ไม่ใช่ว่าไปแต่ทางโลกอย่างเดียวธรรมะเนี่ยคนโบราณบรรพบุพ ร, บรุษของพวกเราที่นับถือกันมาเนี่ยตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่สร้างประเทศชาติชาติไทยของเรามาชาติไทยคู่กับพระพุทธศาสนาทำใหม่คนโบราณเนี่ยว่าคน ปู่ยาตาทุทวดของเราจึงได้ยอมรับพระพุทธศาสนาคนรุ่นใหม่อย่างพวกเราท่านทั้งหลายนี่น่าจะศึกษ า, าไม่ใช่จะมองแบบไม่ใส่ใจไม่สนใจถึงจะพื้นแผ่นดินของเราจะมีคุณค่าขนาดไหนมีเพชรนินจินดามากมายขนาดไหนถ้าว่าพวกเราไม่ใส่ใจ พวกเราไม่ได้ใส่ใจถึงจะฉลาดขนาดไหนก็ฉลาดไปทางอื่นไม่ได้ฉลาดในดูในพื้นแผ่นดินของตัวเองที่เราพักพาอาศัยมีแต่กระโดดโลดเต้นไปหาทำงานต่างประเทศเได้กินเท่หาห้าสตางค์ท่าเฉลึงที่มันจะเป็นกอบเป็นกำรรในประเทศไม่ดูเนี่ยทาว่าพวกเราไม่ได้ใส่ใจใน การเป็นมาหรือว่าพื้นฐานของตนเองจะเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นพุทธศาสนาของเราเนี่ยที่พระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าได้นำพระธรรมคำสอนมาประกาศเผยแผ่ให้กับพวกเราให้บรรพบุรุษของพวกเราเที่บรรพบุรุษพวกเรายอมรับามาตั้งแต่ ตรุดําบันมาจนถึงปัจจุบันในรายอยากจะให้พวกลูกหลานคณศสัตยาญาติโยมลูกหลานที่เกิดใหม่ใหญ่ที่หลังเนี่ยศึกษาดูสิเป็นยังไงหลวงพ่อมั่นใจเหลือเกินถ้าเมื่อศึกษาเข้าไปแล้วพวกเราจะซึ้งในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งนี้ทางนั้นไม่ใช่หลวงพ่อเป็นหมาจอกเป็นหมาหางด้วนตัวเองตัดฐานแล้วก็ ตัดหางแล้วก็แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวให้คนอื่นตัดหางเหมือนกับตัวเองตัดหางแล้วมันเกิดประโยชน์ก็ทดลองหน่อยสิหลวงพ่อนี่ฝังชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นเวลาเกือบหกสบปีอายุเจนดบะห้าสิบกว่าปีเพราะอะไรเพราะ บวชเป็นสมเด็จมาก็แปดปีเป็นพระมาก็ห้าบเอดปีบวกดูสิเป็นเท่าไหร่นี่ยแหละหลวงพ่อจึงมั่นใจบอกกล่าวให้กับคณะสธาญาติโยมลูกหลานทุกหมู่เหล่าว่าพุทธศาสนาไม่ใช่ของหลอกของเล่นเป็นของจริงจังถ้าเราศึกษาให้ถึงเนื้อถึงแก่นของพุทธศาสนาแล้วพวกเราจะยอมรับกันท่วนหน้า ท่านจะสอนในลักษณะอย่างไรสอนเรื่องการเป็นอยู่สำหรับครวญสอนอย่างไรสอนให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทสอนอย่างไรอย่างพวกเมื่อวานหลวงพ่อก็ได้สอนให้พวกเราท่านทั้งหลายตั้งอยู่ในความไม่ประมาทพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรให้พิจารณาเนืองเนืองเรามีความแก่มีความเจ็บมีความตายเป็นธรรมดา เราจะต้องพัดพลากเราจะต้อง ร, รับผลของกรรมที่ตนได้กระทำเอาไว้ตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกศึกษาแต่พวกเราท่านทั้งหลายโลกทั้งโลกทุกวันนี้พอถึงว่าตายแล้วสูญเรื่องว่าตายแล้วเกิดอีกมันสงสัยในจิตใจไม่มากก็น้อยถึงจะเรียนม า, มาในระดับใดก็เถอะ ทางว่าผู้ใดเรียนมาทางโลกกิเลสพอกพูนทางจิตใจทางโลกมากๆก็เกลยมัวเมียพูดไปเลยว่าตายและสูญเพราะเหตุอะไรเพราะมันง่ายดีแต่แตามไม่จริงมันไม่ง่ายอย่างที่คําพูดออกมานะอะมันไม่สูญในหลักถงหนักทำคําสอนของพระพุทธเจ้าให้ศึกษาจุดนี้วิธีการศึกษามีหลักพิสูจน์มีวิธีการพิสูจน์มี แต่ให้จริงจังนะผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ได้ถ้าไม่ปฏิบัติแล้วอย่าหวังอย่าไปคาดคะเน อ, อย่าไปเดาอย่าไปคาดการอย่าไปประมาณการอย่าไปเรียนรู้ว่าตัวเองรู้ผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ได้ปฏิบัติอย่างไรในการปฏิบัติจะรู้ในจุดนั้นตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วสูญ พระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดวยที่โครนต้นโพวันเดือนหกเพนนนั่งกัดสมาธิอันนั้นคือเป็นตัวอย่าง เ, าเราต้องยกบรมครูของพวกเราเป็นตัวอย่างจากนั้นเมื่อท่านได้รู้หลักธรรมบอกว่าเป็นยังไงจากนั้นพระท่านจะไประกาศ เ, าเป็นพระธรรมคําสอนออกมา อย่างนั้นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าก็ได้นําพระธรรมคําสอนออกมาประกาศแนวแถวของพุทธะที่ท่านเรียนรู้จริงเห็นจริงพระสงฆ์ทั้งหลาย เ, เมื่อท่านได้ศึกษาในหลักธรรมคาสอนท่านก็ยอมรับในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างหลวงพ่อ ย, ยอมรับพระธรรมคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ธรรมคำสอนของ ของพระพุทธเจา้าหลวงพ่อจึงเชื่อมัน่นและจึงมาประกาศมาบอกกล่าวให้กับพวกเราพระสงฆ์ในครั้งพุทธกาลก็เช่นเดียวกันเมื่อท่านได้ศึกษาจากตลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าท่านได้ปฏิบัติท่านรู้จริงเห็นจริงจนได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยะบุคคลพระโสดาสกทาคานาคาอารหันต์ตามลําดับท่านก็ได้นําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา้าออกมา ประกาศเผยแผ่ทุกความมั่นใจจากนั้นมาด้วยลําดับํารับๆๆจนมาถึงเนี่แหละพวกเราถือว่าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราก็คือหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นที่เป็นต้นตระกูลอของพวกเราที่ท่านแต่ก่อนหน้านี้มีไหมมีมันเป็นเชื้อสายมาแต่ท่านไม่ได้บันทึกเป็นตัวหนังสื อ, อท่านไม่ได้บันทึกเป็นตัวหนังสือ เราก็พูดไม่ได้แต่เมื่อมาถึงหลวงปู่มั่นนี่ก็เถอะหลวงปู่มั่นท่านเองท่านก็บนเดมบันทึกไว้ในตัวหนังสืออีกเหมือนกันแต่ลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นที่ท่านได้เรียนประยัติธรรมอย่างหลวงตามหาบวชและครูบาอาจารย์ที่ท่านได้เรียนเป็นตัวหนังสือท่านก็ครูบาอาจารย์พูดยังไงบอกกล่าวยังไง ท่านก็บันทึกเป็นตัวหนังสือขึ้นมาเป็นธรรมเลขิตแต่ธรรมเลขิตของครูบาอาจารย์ที่ท่านบอกกล่าวออกมาหลวงปู่มั่นบอกกล่าวออกมาในเมื่อนํามาประพฤติปฏิบัติก็เป็นรูปประธรรมไม่ใช่พูดแบบเปล่าๆในปากแล้วก็จบไม่ใช่เป็นที่ยอมรับกันท่วนหน้าครูบาอาจารย์มีในยุคปัจจุบันที่มีชื่อชื่อเสียงโด่งดังมี หลวงตามหาบัวหลวงปูล่าที่หลวงพ่อได้เข้าไปศึกษาแต่หลวงปูแหวนนี่หลวงปูฟัน้นหลวงปูอ่อนหลวงปูเทศหลวงปูขาวครูบาอาจารย์จนมาถึงปุ่นรุ่นต่ อ, ต, อต่อกันมากันล้วนแล้วถึงแต่ได้ศึกษาในหลักธรรมคําสอนจากนั้นก็นลงมือประพฤติปฏิบัติผู้ปฏิบัติอย่างอย่างที่หลวงพ่อได้พูดวู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ได้ ยังจะพิสูจน์ได้เพราะนั้นพิสูจน์จะไงก็พิสูจนตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าพาพิสูจน์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ยุคนี้ท่านก็เที่ยวทุรงสมัยก่อนป่ารงพงไพ่ภูผาป่าไม้อย่างอุดมสมบูรณ์ไปที่ไหนก็ได้ไม่เหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้มันหมดมันหมดภูผาป่าไม้แล้วมีแต่คู่ขนทั้งหมดเต็มไปหมดทุกแห่งขน เออเราจะไปเหมือนไปตะก่อนก็ไม่ได้แต่สมัยก่อนใช่ไปเที่ยวป่ารงพงไพ่ไปภาวนาอยู่ในถ้ำตามต า, ามประวัติของท่านแต่หลวงพ่อเองก็เถอะถึงมาถึงรุ่นของหลวงพ่อหลวงพ่อก็ไปดูภู้ผาปา่าไม้ไม่ใช่น้อยเหมือนกันหลายแห่งแต่ทุกวันนี้ที่หลวงพ่อไปภู้ผาปา่าไม้เหล่านั้นที่ถ้ำเหล่านั้น อย่างถ้ำผ า, าดแดนบาัางถ้ํพระเวศบ้างอย่างนี้ถ้าต่างๆที่หลวงพ่อไปเดี๋ยวนี้เป็นวัดขึ้นมาหมดแล้ว เ, เป็นสถานที่พระขึ้นมาอยู่หมดแล้วพี่น้องประชาชนมันเต็มไปหมดทุกแห่งหมดแล้วอันนั้นคือสมัยก่อนที่ท่านแบกตรดตะภายบาดไปเที่ยวป่าทุรงตามลาพังอยู่ตามลาพังนั่งภาวนาดูจิตใจของตนเอง ถ้าจะว่าไปแล้วเสี่ยงตายเหมือนกันนะเพราะเหตุไเพราะสมัยนั้นไข้มาลาเรียไม่ใช่น้อยอทุกแห่งหนแต่ว่าตายแล้วก็ตา ย, ตายไปเกิดมาตายชาวบ้านเขาก็ตายเราจะตายไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะโดยมากครูบาอาจารย์ในยุคเก่าๆท่านเดินทุโรงท่านไปนะสถานที่ต่างๆเจ็บไข้ได้ป่วยท่านเป็นไม่ถือเป็นอุปสรรคเพราะว่าเกิดมาแล้วก็ต้องแก่เจ็บตาย เป็นธรรมดาของชีวิตมนุษย์เมื่อเขาอยู่ได้เราต้องอยู่ได้แต่ท่านเน้นหนักเรื่องจิตตภาวนาท่านไปนั่งภาวนาที่ไหนเป็นนั่งอยู่ตรงไหนอยู่ในป่าไหนอยู่ตามลำพังพวกเราคิดคิดดูที่ว่าทั้งเสี่ยงต่ออันตรายทั้งสัตว์สาราสิงอยู่ในป่าทั้งช้างทั้งเสือทั้งหมีทั้ง ง, งูเรื่องผีไม่ต้องพูดละผีมันมองไม่เห็น แต่มันกลัวมันกลัวผีนะพระโดยมากถ้าไม่ภาวนาแต่ท่านครูบาอาจารย์รุ่นเก่าเก่ารุ่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าให้ยึดพระไตรสรนคมยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในจิตใจไปนะอยู่ณสถานที่ใดเอาเถอะไม่ต้องกลัวข้าเปเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ ต่อคุณงามความดีต่อมรักผลนิพพานข้าพเจ้าหวังมรักผลนิพพานเท่านั้นในจิตใจนั่นแหะถึงจะไปอยู่ณสถานที่ใดจิตใจของเราเนี่แกล้วกล้าไม่ว้าเหวอ้างวางังเงียบเหงาซึมเศรา้านี่นเพราะอะไรเพราะเราไปอยู่อย่างนั้นเราจะไปซึมเศร้าได้ยังไงเพรอยู่ในสนามรบใช่เข้าไปก็เป็นั่งภาวนาดูจิตใจของตัวเองในขณะนี้มันคิดไปทางไหน ออพอไปนั่งกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกจิตเ อ, อมันกลัวผีก็เท่ากันแท้เนี่ยมันอยู่ในป่าดวงพงไพ่อยู่ในถ้าอยู่ในป่าช้าอยู่ตามลําพังเ อ, อจิตใจไม่ส่งออกนอกเลยแทย้จิตใจอยู่กับตัวเองอยู่ตลอด อ, อมีสติสัมปชัญญะกําหนดที่กรรมาฐานไหนกําหนดที่ลมหายใจเข้าหายใจออกใจมันก็อยู่ในลมหายใจเข้าออกเอเพราะมัน มันมีความมุ่งมั่นตั้งใจอยู่แล้วจากนั้นกันนะก ำ, ก, ำกำหนดภาวนาพุทโธพุทโธจิตใจไปอยู่กับพุทโธสติสัมปชัญญะอยู่กับพุทโธอยู่ที่ปลายจมูกจิตญนาะจากนั้นใจของอท่านก็รวมสงบอย่างที่ว่าพจิตใจรวมสงบนะไม่กลัวอะไรทั้งหมดในจักรวาลจิตใจแกล้วกล้าอาถรรเพราะมันมีธรรมอยู่ในใจ เออพราะถึงยังไงโลกนี้เออถึงจะอยู่ในตรอกหั้วลาวเขาไหนอยู่ซอกไหนในภูเขาตายทั้งหมดไม่มีใครที่จะหนีออกหลอดพ้นจากความตายไปได้เพราะนั้นเราคนหนึ่งเออจะไม่ตายอย่างนั้นเหรอเน่นละความอาถรรพ์ในจุดท่านะที่ท่านท่านทำจิตใจให้สงบจากนั้นเมื่อจิตใจผ่านความสงบพราก็นำมาพิจารณา ตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนจากนั้นเมื่อพิจารณาก็รู้จริงเห็นจริงในหลักธรรมคำสอนของพุทธะจากนั้นก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายนี่แหละที่ท่านปฏิบัติมาปันตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นให้พวกเราลูกหลานทุกองทุกคนนะทายาทโยมทุกหมู่ทุกเหล่า ก็ให้ใส่ใจสนใจศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาธรรมสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พันบันพ่บรุาดของพวกเราที่นับถือมาเนี่ยท่านนับถืออย่างไรท่านรู้เห็นมาอย่างไรต้องศึกษาไม่ใช่ว่าโมเมียแล้วก็ปลามาทเอาเลยโดยความโง่ครับ เขาเบาปัญญาของตนเองก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าสมบัติอันล้ำค่าที่บรรพบุรุษของพวกเราถือมาเนี่ยให้พวกเราศึกษาเลยเออเหมือนกับพวกเราอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยเออทรัพย์สมบัติอยู่ในพื้นแผ่นดินมีอะไรบ้างเออพวกเราจะค้นคว้าศึกษาดูไหมเออถ้าว่าศึกค้นคว้าศึกษาดูแล้วนั่นะประเทศไทยของเราไม่แพ้ประเทศอื่นอาหารการบริโภคเราจะทํำยังไง อารมสมบูรณ์ตลกผลิตขึ้นมาช่วยกันคิดขึ้นมาพัฒนาขึ้นมามีคนปีแต่ความร่มเย็นผาสุขที่การอยู่ด้วยกันอยู่อยู่ร่วมกันถ้าหากว่าพวกเราไม่ได้คิดในอ่านงอมืองอเท้าประมาทชาติตัวเองอีกต่างหากนู่นไปนับไปทำงานอยู่ต่างประเทศใช่ต่างประเทศมันดีกว่านะเพราะนั้นสูกันเข้ามาในพื้นแผ่นดินไทย พัฒนาแผ่นดินไทยของเราเนี่ยดีที่สุดนะอแล้วก็ตั้ง อ, อกตั้งใจมันขยันคนขยันยอมหาทรัพย์ได้คนมีปัญญายอมหาทรัพย์ได้คนที่มีความมีสติมีปัญญาต้องรู้จักคุณค่าของพระพุทธศาสนาผู้มีสติผู้มีปัญญานขนคว้านะเอขนขวาหาเหตุผลต้องรู้คุณค่าของ พระพุทธศาสนาถ้าว่าพวกเราไม่ได้ค้นคว้าไม่ได้ศึกษามีแต่โมเมียปลามาดไปเรื่อยเหมือนตาบอดบุกป่าพาดงไปเรื่อยอย่างนั้นอันนั้นมันมองไม่เห็นอะไรทั้งหมดเพรา ะ, ะนั้นขอฝากไว้กับพวกเรา ท, ทุกทุนนะลกท่านนะลูกหลานคณะศท า, าญาติโยมอต่อเนี่ไปวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดแนวหนึ่งสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฝังได้ศึกษาอต่อนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพร